เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระบุญพระการที่มีเมตตาให้ได้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันที่นี่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้กลับไปทำงานหลังจากได้มีโอกาสศึกษาด้านนี้เมื่อสามสิบปีที่แล้วนะคะก็ค้นพบว่าการที่เราจะอยู่บน สังคมนี้ได้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกๆวันเนี่ยเ้วก็มีพลังบหือนที่ว่อาจารย์บอกว่าจะเป็นเรื่องของยานปัญญาบัญญ่เป็นที่พึ่ง น, นะคะจากตรงนี้สามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปมองเห็นว่าปัญหาสังคมไทยเราแบบรุนแรงขึ้นทุกวันคนทำงานก็อยู่ในภาวะซึ่งค่อนข้างหนักหน่วงนะคะส่วนหนึ่งหลายหลายกลุ่มต้องเผชิญกับปัญหาส่วน ส่วนตวัด้วยแล้วก็ส่วนางานด้วยแล้วก็แรงขึ้นทุกวันอย่างที่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเด็กๆในครอบครัวและสังคมตนอกจากพ่อแม่ไม่พร้อมแล้วเนี่ยเขาโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมียิ่งความไม่พร้อมจะเกิดจากตอนนี้พ่อแม่ติดคุกเยอะแล้วก็เด็กๆหลายคนเกิดถูกทอดทิ้งนะคะต้องกลับไปหลายๆคนเลยอยู่ในสังคมเพราะเต็งก็ไปทา ง, ง, น ง, งานในสังคมเพราะก็จะเห็นว่า การที่ขนาดคนทั่วไปในสังคมเรานะคะอยู่ได้อย่างนี้เนี่ยยิ่งริงเพราะเขาเที่ซึ่งยากลำบากกว่านะคะจะจะมีความเกี่ยตัวทางจิตวิญญาณได้อย่างไรและที่สำคัญที่ม่ถุนนั้นตอนนี้เนี่ยเราพบว่าโลกแล้วก็สังคมพาให้คนเนี่ยติด ก, กับวัตถุแล้วก็กิเลสยั่วยุลใจมากซึ่งทำให้การทำ ง, งานที่ผ่านมายมบอกว่า เริ่มมองเห็นว่าไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วนะคะนอกจากการใช้ธรรมะเป็นฐานในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลในทุกระดับไม่ใช่แค่ในเด็กๆเกท่านั้นแต่ต้องระดับคนทำงานระดับผู้ใหญ่เราด้วยซึ่งบานครังนี้พอทราบว่าพระอาจารย์ได้มีการฝึกอบรมเข้มข้นนะคะกับผู้ที่ปฏิบัติ อย่างจริงๆในสูตรของตัวเองเนี่ยมีหลายคนเคยพูดว่าเป็นไปได้ยังไงที่เราจะเลิกคิดหรือแบบไม่คิดเลยได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติครั้งนั้นเนี่ยเราสามารถดีความคิดออกไปได้หมดเมื่อเรามีสติรู้ตัว อ, อย่างลึกซึ้งในระดับหนึ่งนะคะตอนนั้นถือว่าได้รู้จักนะคะตอนนี้อาจจะแค่รู้จาถึงต้องมาฝึกใหม่กับเพร่อนชาตินะคะ ออแล้วเมื่อมาที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าขอบพระคุณมากเลยทีออ่ทุกท่านไ ด, ได้ช่วยกันเกื้อกูลดูแลจนทราบว่าหลายท่านเนี่ยตอนนี้มีภาวะซึ่งออสติตื่นรู้จนสามารถที่จะน่ากลับไปทำประโยชน์เพื่อสังคมอื่นๆได้นะคะก็เลยขอแลกเปลี่ยนว่าสาหรับตัวเองเนี่ยอยู่ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพค่ะทำงานมา30สิกว่าปีตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ ตอนนี้ก็มีการประสานงานกับเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศทั้งด้านผู้หญิงและเด็กและด้านอื่ น, ด น, ด น, ด น, ดนโดยเฉพาะด้านเด็กและครอบครัวนะคะตัวเอง ท, งาทําหน้าที่ด้า น, นยุตดธรรงชื่อว่าสหไทยมูลนิธิสํนักงานใหญ่อยู่ที่สมวิสสามสิบหกที่กรุงเทพนะคะแล้วก็กตัวเองเนี่ยยีบปีที่ผ่านมากลับไปทําเนินงานเปิดสาขาที่นครศรีธรรมราชซึ่งจากที่ทํางานไป เจอปัญหาเล่เลก็ในที่สุดก็เลยเปิดพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเรียกว่าศูนย์เรียนรู้ชีวิตเพื่อเด็กและครอบครัวนะคะให้เป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กๆและครอบครัวได้มีพัฒนาตัวเองก็เริ่มมองเห็นลู่ทางในการที่จะพัฒนาด้วยรูปแบบวิธีใหม่ๆค่ะนี้สําหรับที่นี่พอทราบว่ามีพื้นที่ซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้คนมาก เก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงพร้อมแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแต่งปันเพราะสำหรับตัวเองก็เชื่อมั่นในหลักการแนวทางของหลวงพ่เทียนอย่างยิ่งนะคะสิวันที่ตัวเไม่มีกวามปฏิบัติในครั้งนั้นแบบเขาเรียกว่าอุกริดนะคะก็คือไม่ไม่รับรู้ไม่รับฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับหนึ่งค่ะเขาเชื่อว่าเมื่อพวกเราได้ ได้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยพวกเราก็จะมีความมั่นใจจริงๆที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่นะคะคเมื่อวาได้มีโอกาสคุยนะคะกับพี่จินะคะพี่ดิ๊มก็รู้สึกว่าดิ้งเชื่อมั่นค่ะพวกของพี่จิเนี่ยเออเป็นความรู้สึกตัวที่ เข้าไปในสายเลือดแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเอในวันนั้นเด็กอีกลูกซึ่งเราต้องช่วยเหลือดูแลจนเขาได้ครอบครัวบุญธรรมที่ต่างประเทศนะคะเระววอยู่ที่สหรัฐอเมรกาปรากฏว่าหลังจากนั้นข่าวขาวว่าเด็ที่จากเด็กไอซนนี้นนะค่ะเขาเติบโตไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งไม่เคยตัวอย่างเด็กๆตัวอย่างหนึ่ง <ส>มีอีกหลายตัวอย่างมาก